ก็ข อ, ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้มีโอากาสมาแบ่งปันพระวจนะให้กับพี่น้องนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะไปแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้ามีอาถฐานะนักศึกษาฝึกงานนะคะข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาฝึกงานที่คริสักวัฒนานะคะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลานะคะก็ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสนะคะก็ก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าวไหลทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันในที่นี้เพื่อที่จะสารเสริญพระองค์ได้ยินได้ฟังถึงพระวจนะของพระองค์ขอพระวจนะของพระองค์ในบายวันนี้ที่จะแต่ต้องสัมผัสจิตใจและให้พี่น้องทุกคนที่จะนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของพี่น้องต่อไปขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าอยากรู้ว่า10ปีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่อยากันถ้าอยากรู้ว่า4ปีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักศึกษาที่จบป ร, ร, ญ य, ป ร, ริญญาถ้าอยากรู้ว่า1ปีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักเรียนที่สอบตกถ้าอยากรู้ว่า9เดือนมีค่ามากขนาดไหน ให้ถามแม่ที woman, ่เพิ่งคลอดลูกถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งเดือนมีค่ามากขนาดไหนให้ถามแม่ที่คลอดลูกก่อนกาหนดถ้าอยากรูว่าหนึ่งอาทิตย์มีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่ทำหนังสือพิมพ์ถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งชั่วโมงมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนรักรอพบกันถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งนาทีมีค่ามากขนาดไหน ให้ถามคนที่พลาดรถไฟถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งวินาทีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุถ้าอยากรู้ว่าหนึ่งเซียววินาทีมีค่ามากขนาดไหนให้ถามนักกีฬาที่ชนะเหรียญเงินพี่น้องคะทุกวันนี้เราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังคะเราทั้งหลายต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุด พราะเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่แล้วพระเจ้าจะเอาชีวิตของเราไปเมื่อไหร่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะต้องพร้อมอยู่เสมอแล้ววันนี้ล่ะคะเทพเยซูคริสต์เสด็จมาเราพร้อมหรื อ, อยังพระวจะนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐาน ทรงเฝ้าวอนอธิษฐานในพระธรรมลูการบทที่22ข้อที่39ถึง46ที่ผู้นำได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเยซูนะคะทรงขึ้นไปอธิษฐานที่บนภูเขามะกอกเทศหรือในสวนเกสเซมนีนะคะเกสเซมณนีแปลว่าเจ็บปวดหรือบีบคั้นนะคะและในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาแห่งการ เจ็บปวดคะเป็นเวลาแห่งการเจ็บปวดของพร่เยซูเพราะพงค์รู้ว่าพง์กาลังจะตายคระพง์รู้ว่าพงค์กำลังจะตา ย, รรา จ, ะตายจะต้องเผชิญกับการทดลองระหว่างเลือกทำทำตามใจของตัวเองและเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะถึงแม้ว่าจะต้องตายในเวลาที่ทุกข์ใจพงษ์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาคนะในพมภีได้บันทึกว่า อธิษฐานจนเหงื่อกลายเป็นเลือดนะคะอธิษฐานจนเหงื่อกลายเป็นเลือดนี่แสดงให้เราเห็นถึงความสุดแสนทรมานของพระองค์นะคะแต่ในเวลาที่ทุกขทรมานพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับเราอย่างดีมากนั่นก็คือการอธิษฐานนะคะการอธิษฐานพระองค์ไม่ได้ทำไม่ได้ทำตามใจของตัวเองนะคะในขณะที่สาวกหลับอยู่พระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานนะคะพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานพระเจ้าต้องการที่จะคุยกับพี่น้อง และคุยกับข้าพเจ้านะคะแล้วทุกวันนี้เราได้คุยกับพระเจ้าบ้างไหมคะเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าบ้างไหมเวลาผ่านไปนะคะเราต้องพัฒนาตัวเราให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะคะอธิษฐานอย่างไรก็อธิษฐานอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เราจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากขึ้นให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นคะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราก็จะเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นนะคะ ชีวิตที่อยู่ถอยหลังเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตที่ตายแล้วนะคะชีวิตที่อยู่ที่เดิมเนี่ยหมายถึงชีวิตที่ไม่ยอมพัฒนานะคะและกำลังจะตายชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องพัฒนาให้มากขึ้นนะคะใววันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ให้กับเรานะคะ3มประการนะคะประการแรกนะคะอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าสู่การทดลองนะคะในข้อที่สี่สิบและข้อสี่สิบหได้บอกว่า เมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตัดกับเขาทั้งหลายว่าจงอธิษฐานเพื่อไม่ให้เข้าในการทดลองและข้อ46นะคะได้บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทําไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองนะคะในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะคะการอธิษฐานคืออะไรคะการอธิษฐานก็คือการที่เราพูดคุยกับพระเจ้านะคะเป็นคําพูด เป็นความคิดของเราเองนะคะที่พูดคุยกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการสมนมที่ต้องมีบทนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกับลูกคุยกับพ่อนะคะอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะคะถ้ า, าพระเจ้าจะฟังเราและพระเจ้าจะได้ยินเสียงของเราที่ทูลขอต่อพระเจ้านะคะ พระองค์ทรงให้เราที่จะทูลขอกับพระเจ้าได้ทุกเรื่องนะคะและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะตอบเราอย่างแน่นอนนะคะสาเหตุที่คริสเตียนจะต้องอธิษฐานตลอดเวลาก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะซาตานทํางานหนักมากค่ะทำงานตลอดเวลา24ชั่วโมงมันไม่มีเวลาหยุดพักนะคะมันไม่มีเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลากินข้าวมันไม่มีนะคะมันทำงานตลอดเวลานะคะมันไม่เคยที่จะหยุด มันวางแผนที่จะล้มลูกของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อใดก็ตามที่เราขาดการอธิษฐานจิตวิญญาณของเราก็จะอ่อนแอลงทุกวันทุกวันทุกวันนะคะและมันก็จะคอยที่จะตะคุบด้วยปัญหาต่างๆที่รุมเราในชีวิตของเรานะคะแม้แต่พระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็ทรงขณะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังทรงอธิษฐานนะคะเพื่อไม่ให้เข้าสู่การทดลอง สาวกกำลังเผชิญกับการทดลองนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยหลายคนเริมไม่มั่นใจที่จะติดตามพระเยซูนะคะเขาหนีและการทดลองที่สำคัญของสาวกก็คือเขาคิดว่าเขาเนี่ยถูกหลอกนะคะพระเยซูต้องเผชิญกับการทดลองถ้าเป็นไปได้เนี่ยพระเยซูคิดบอกว่าให้ถ้วยนี้เลื่อนไปก่อนนะคะขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปแต่พระองค์ก็สามารถที่ชนะการทดลองนี้ได้นะคะ พระเยซูคริดทรงอธิษฐานอย่างหนักนะค ะ, ะ, คะเพื่อที่จะสามารถผ่านการทดลองเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะผ่านการทดลองไปได้เนี่ยเราจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าการทดลองอะไรบ้างคะการทดสอบในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็น อ, อำนาจหรือว่าชื่อเสียงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่เราจะต้องสแสวงหาใช่ไหมคะการทดลองในด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดป่วยต่างๆนะคะที่เข้ามา ในด้านครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดครอบครัวแตกแยกเรื่องพ่อลูกพ่อแม่ลู ก, ลกต่างๆนะคะวันนี้พระเจ้ากําลังเปิดตาฝ่ายวิญญาณของอให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าสามารถาช่วยเราผ่านการทดลองนี้ไปได้นะคะแต่ขอให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากๆนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่เข้าสู่การทดลองจงเฝ้าวอนอธิษฐานอย่าให้มานมีโอกาสนะคะ ประการที่สองนะคะอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจเรานะคะในข้อที่42ได้บอกว่าพระบิดาเจ้าค่ถ้าท่าโพงพอพระทยัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าโพงเถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าโพงแต่ให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดนะคะพระเยซูคิด อธิษฐานว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปนะคะถ้วยนี้คืออะไรคะถ้วยนี้ก็คือความทุกข์ความทุกข์ทรมานและความตายที่ พ, ะพระองค์จะเผชิญนะคะแต่พระองค์ก็ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บถึงแม้ว่าจะต้องตายนะคะแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าสุดแต่น้ำพระทยัยนะคะสุดแต่น้าพระทยัย เราจะต้องยอมจำนวนนะคะเมื่อเราอิหานกับพระเจ้าอย่างจริงใจเราจะต้องอิหานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าสิ่งที่เราขอเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระองค์จะตอบเราอย่างแน่นอนนะคะในลู ก, กาบทที่11ข้อที่11ได้บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือนะคะในพระมหีได้บอกไว้นะคะและในพระธรรมหนึ่งเทซาโลิกาบทที่5ข้อที่17ได้บอกว่า จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอคําสั่งนี้นะคะหมายความว่าเราจะคําสั่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะอธิษฐานบ่นพึมพำกับพระเจ้าซ้ํากนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คําอธิษฐานที่แท้จริงเนี่ย <Okay. S 2> เป็นการที่เราแสดงความป ร, รารถนาภายในจิจใตใจของเราออกมานะคะถ้าปากของเราวิงวอนอีกอย่างหนึง่งแต่ใจของเราคิดอีกอย่างหนึง่ง <Okay. S 2> ก็แสดงว่าเรากําลังอธิษฐานแบบน่าซื่อใจคด ะะถ้าปากของเราพูดขอเผื่อคนอื่นแต่ว่าใจเรายังไม่ได้ให้อภัยหรือว่ายังไม่ได้รับการยกโทษเนี่ยพระเจ้าจะฟังใจเรามากกว่าที่จะฟังคำที่เราวิงวอนนะคะแต่เมื่อเราอธิษฐานถ้าไม่ใช่น้ำพระทยระัยพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะไม่ให้นะคะถ้าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์จะยังไม่ให้สาเหตุที่พระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานก็คือว่าบางทีเนี่ย เราอธิฐานแบบเห็นแก่ตัวนะคะเราขอผิดเราขอตามใจหรือความต้องการของตัวเราเองนะคะขอด้วยแรงจุนใจที่ไม่ถูกต้องนะคะในยากอบบทที่สี่ข้อที่สมได้บอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลส ต, ตัณหาของท่านหรือบางทีเรามีความผิดบาปบางอย่างที่อยู่ในใจของเราและเราไม่ได้รับการแก้ไขนะคะในซาดดีบทที่66ข้อที่18ได้บอกว่า ถ้าข้าพเจ้าได้บมความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คงไม่สดับนะคะในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้บอกไว้นะคะถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยพระองค์บอกให้เรารอก่อนนะคะพระองค์บอกให้เรารอก่อนแต่อย่าให้เราที่จะลมเลิกการอธิษฐานนะคะอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาทวงสิ่งที่เราขอกับพระเจ้าให้เราดําเนินชีวิตแบบเป็นที่พอพระ thầy พระเจ้านะคะเราจะต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้า ต้องการอะไรในชีวิตของเราจริงๆนะคะให้เร า, เารู้จักที่จะรอนะคะบางครั้งกว่าคํำอธิษฐานจะเกิดผลนะคะอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันนะคะแต่บางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางทีเป็นปีนะคะวิธีที่พี่ดีที่สุดที่จะรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือบอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะทําตามน้ำพระทัยของพระองค์นะคะไม่ใช่ขอตามใจของเรานะคะประการที่สามนะคะ อธิษฐานในขณะที่ทุกข์ใจคะ่ะอธิษฐานในขณะที่ทุกข์ใจในข้อที่สี่สิบสี่นะคะได้บอกเราว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากพระองค์ยิ่งโปรงพระไทยอธิษฐานพระเศโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่นะคะพระเยซูปเป็นทุกข์อย่างมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกว่าจนเหงื่อนะคะกลายเป็นเลือดหยดลงบนดินนะคะเหงื่อกลายเป็นเลือดหยดลงบนดินแต่พระองค์ก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังนะคะอธิษฐานมากขึ้นนะคะยิ่งทุกข์ใจก็ยิ่งอธิษฐานยิ่งเข้าหานะคะในพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าขณะที่อธิษฐานด้วยความทุกข์ทรมานนั้นนะคะพระเจ้าทรงส่งทูปของพระองค์มาช่วยให้มีกําลังขึ้นนะคะ ในลมบทที่ 8.26 ข้อบได้บอกว่าในทานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราค้ำควรอธิษฐานไม่เป็นคำนะคะการทดลองคือสิ่งที่ทำให้เราหวาดกลัวสิ่งที่ทำให้เราต้องพบกับอันตรายนะคะยิ่งทุก ยิ่งอธิษฐานนะคะพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราที่ต้องเผชิญปัญหาเพียงลําพังนะคะสุดมือเรานะคะสุดมือของเราก็คือมือของพระเจ้านะคะสุดมือเราก็คือมือของพระเจ้าที่จะช่วยเรานะคะแม้เราไม่มีคําอธิษฐานใดๆเวลาเราทุกข์ใจหรือเราร้องไห้นะคะ พ, พระอาจารย์ของพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขอร่วมกับเราด้วยนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขอร่วมกับเราด้วยคริสเตียหลายคนอาจจะถามว่าทําไมชีวิต ชีวิตการเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยก้าวหน้านะคะพระเจ้าก็จะตอบว่าเพราะละเลยการอธิษฐานท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอหรือว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือว่าผู้ปกครองหลายๆคนนะคะอาจจะถามว่าทําไมจถึงไม่ค่อยเห็นการเกิดผลในการรับใช้เลยนะคะพระเจ้าก็จะตอบว่าเพระเา ะ, าระาไม่สนใจการอธิษฐานท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ แฟรงกินแกแฮมนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักนะคะเขาเป็นลูกของด็อเตอร์บิลลี่แกแฮมนะคะตัวของพ่อเนี่ยคือเขาเป็นนักเทศนาฟื้นฟูใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะคือติดยาเสพติดนะคะปฏิเสธพระเจ้าทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะครั้งหนึ่งมีคนถามนางรูทนะคะนางรูทเป็นแม่ของเขานะคะก็คือภรรยาของบิลลี่นะคะถามเขาว่า พระเจ้าเนี่ยมีลิตอำนาจจริงหรอ อ, อ, อย่างสามีคุณเนี่ยเทศนาฟื้นฟูทำไมไม่เปลี่ยนลูกชายนางรูธก็ตอบว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจเสมอโดยคำอธิษฐานของของพวกเราก็คือของครอบครัวนะคะวันหนึ่งเขาจะกลับมารับใช้พระเจ้า เรายัางรอคอยเราเชื่อในคําอธิษฐานและเราจะอธิษฐานต่อไปอันนี้คือคําตอบของนางรูทนะคะขณะที่แฟรงกินแกรแฮมน ะ, ะทํางานที่เลบานอนเขาได้สํานึกถึงความผิดบาปของตัวเองนะคะและได้รับเอาเพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนนะคะปัจจุบันเขาคือผู้อานวยการองค์การสมาร์ตันเพิร์สและตามรอยพ่อของเขาในการเทศนาฟื้นฟูนะคะตอนนี้เขาเป็นนักเทศนาฟื้นฟูใหญ่นะคะอย่าหยุดที่จะอธิษฐานเผื่อลูก เผื่อคุณพ่อคุณแม่เผื่อสามีเผื่อภรรยาหรือว่าเผื่อคนที่คุณรักนะคะคนที่เขายังไม่ได้มาโบสนะคะให้เราที่จะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องร่วมกันร่วมกันอธิษฐานเรายังรอคอยพระเจ้านะคะเรายังจะธอธิษฐานอธิษฐานในเวลาเช้านะคะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะขอกําลังจากพระเจ้าในตลอดทั้งวัน ไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะเรียนเราจะทํางานหรือเราจะไปที่ไหนให้เราขอกําลังจากพระเจ้านะคะพอตลอดทั้งวันนะคะกลับมาบ้านก่อนนอนก็ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้านะคะทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนหรือว่าตลอดทั้งวันนั้นนะคะให้เรา อ, อธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดนะคะแม้ว่า เราจะเกิดปัญหาหรือว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะทุกข์ให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะเวลาเรามีความสุขเนี่ยเรามักจะลืมพระเจ้านะคะแต่อย่าให้เราเป็นอย่างนั้นนะคะให้เราที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งที่เรามีความสุขและเรามีความทุกข์นะคะการอธิษฐานก็เปรียบเสมือนกับลมหายใจนะคะเวลาเราต้องหายใจเข้าออกเห็นไหมคะเรา เ, เราหายใจเข้าออกตลอดเวลาเพื่อที่ว่าเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ชันใดเนี่ย เราก็ต้องไอ้ฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นฉั น, นั้นนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะทำ เ, เราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้ทุกวินาทีนะคะพระองค์ทร ง, งฟังเราอยู่ตลอดนะคะการทิ่ฐานเนี่ยประกอบไปด้วยการสรรเสริญนะคะการสรรเสริญเราสามารถสรรเสริญพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่ง เป็นพระเจ้าแห่งความผู้สร้างนะคะเป็นพระเจ้าแห่ง uh, ความรักความเมตตานะคะเพราะว่าพระองค์ทรงสร้าง ท, ทุกสิ่งทุกสิ่งที่หายใจพระองค์ทรงสร้างนะคะให้เราที่จะอธิษฐานสารสรเสริญกับพระเจ้านอกจากการสารสรเสริญแล้วนะคะให้เราที่จะขอบพระคุณนะคะการขอบพระคุณเนี่ยต่างจากการสารสรเสริญนะคะเพราะว่าการขอบพระคุณเนี่ยจะเน้นที่ uh, ความกตัญญูต่อพระเจ้าที่พระเจา้าทรงช่วยเหลือเรานะคะทรงปกป้องเราทรง uh, ดูแลเรานะคะทรงยกโทษความผิดบาปให้กับเราสารรเสริญขอบพระคุณให้เราที่จะสารภาพนะคะสารภาพกับพระเจ้าเพราะว่าการสารภาพที่แท้จริงเนี่ยคือการการกลับใจใหม่นะคะคือการกลับใจใหมก่กลับใจจากความบาปที่เราได้ทําไปเมื่อเราทําความผิดบาปมาะะให้เราที่จะไอ้หางสารภาพกับพระเจ้าและอย่า ก, กลับไปทําสิ่งนั้นอีกนะคะ เพราะว่าพระองค์สัญญานะคะว่าพระองค์จะทรงยกโทษให้กับเราสารเสริญขอบพระคุณสารภาพแล้วเราสามารถที่จะทูลขอกับพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราสามารถที่จะขอกับพระเจ้าได้นะคะเรามีสิทธิ์ทุกคําอธิฐานนะคะที่เราขอกับพระเจ้าพระองค์จะตอบเราอย่างแน่นอนซึ่งคําตอบของพระองค์อาจจะหนึ่งได้สองไม่ได้ และสามรอนะคะรอก่อนนะคะถ้าเราเขียนคำอธิฐานของเรานะคะลงในสมุดแล้วเวลาเรานา น, านไปแล้วเราอาจจะจาไม่ได้ว่าเราอธิฐานอะไรไปบ้างถ้าเรากลับมาเปิดดูคำอธิฐานนั้นเราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิฐานเราทุกคำนะคะฟิลิปลุกนะคะกล่าวว่าอย่าอธิษฐานเพื่อชีวิตที่สุขสบายแต่อธิษฐานให้เป็นคนที่แข็งแรงในความเชื่อ อยาอที่านขอการงานที่พอดีกับฤทธิ์อำนาจแต่อธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจที่พอดีกับงานนะคะอยากให้เราเอาพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างในการอธิษฐานนะคะพร้อมพีได้บอกเราเกี่ยวกับการอธิษฐานไว้มากมายนะคะในยอห์นบทที่15ข้อที่7ได้บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้นนะคะและในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึง7ได้บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอพระคุณนะคะและในมัทธิวบทที่21ข้อ22ได้บอกว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นะคะ สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นะคะมีเพลงเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงอาจจะออกแนวลูกทุ่งนิดนึงแต่ถ้าใครที่มาบทบ่ายเนี่ยมักจะได้ยินอยู่เสมอนะคะเพลงนี้ชื่อว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐานนะคะเหมือนหัวข้อในในบ่ายวันนี้นะคะแล้วข้าพเจ้าเนี่ยชอบในท่อนแรกของเพลงนี้มากนะคะได้บอกว่าจงเฝ้าวอนอธิษฐานอย่าให้มานมีโอกาส จงเตรียมและระวังจงฟังคำจากพระคำพีนะคะพระเจ้าทรงรอฟังคำอธิษฐานของท่านอยู่นะคะให้เราที่จะเฝ้าวอนอธิษฐานกับพระเจ้านะคะก็ขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะให้เราเร่วมใจกันอธิษฐา น, นะคะ่ะข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในบ่ายวันนี้ที่ให้ข้าพงทั้งหลายได้รู้ที่จะอธิษฐานไม่ให้เข้าสู่การทดลอง อธิษฐานที่จะให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์และแม้ว่าข้าพพงษทั้งหลายจะตกยึดในสถานการณ์ที่ทุกข์หรือต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายข้าพงษ์ทั้งหลายก็ยังอธิษฐานกับพระองค์และพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพพงษ์ทั้งหลายทุกอย่างขอให้ข้าพพงษ์ทั้งหลายนำพระวจนาในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปข อ, อการที่ช่วยข อ, อการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน